นาปฏิวัณฑ์พิษณีต่อไปนี้ไม่ต้องระบาดคือ797 1นึ่งพิษณีชั้นกระเทียมเหลือง2องพิษณีชั้นกระเทียมแดง3ามพิษณีชั้นกระเทียมเขียว4ี่พิษณีชั้นกระเทียมต้นเดียว5้าพิษณีชั้นกระเทียมปรุงในแกง6กพิษณีชั้นกระเทียมปรุงในเนื้อ7จ็ดพิษณีชั้นกระเทียมเจียวน้ำมัน 8. ปดพิษณีชั้นกระเทียมปรุงในยำผักสด เก้าพิษณีชั้นกระเทียมพรุ่งในแกงอ่อมสิบพิษณีวิกชจริตสิเอพิษณีต้นบัญญัติสิขาบทที่หนึ่งจบ